ถ้า ท, ทำมัทเหสนาของท่านหลวงตานรุกข์ผีนาเลยยู่อเมื่อสินสส้นผู้ตืวนผู้กินอาการก็สิน้นผู้ตืนมันไม่เห็นตัวเองถ้าเห็นตัวเองมันจะแก้มันจะเป็นแก้หมดเป็นเสร็จเลยตัวเนี้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้ดีละขยักขยอยไม่เห็นตัวเองมันจะเอาตัวเองอไปเห็นสภาวะ เมื่อไม่เห็นตัวเองเอาแต่ตัวเองไม่เห็นไปเห็นสภาวะตัวเองมันเลยแช่ติดอยู่ในสภาวะเพราะไม่เห็นตัวเองถ้าเห็นตัวเองมันจะมันจะก็จะจะหลุดพ้นจากตัวเองด้วยแล้วหลุดพ้นจากสภาวะด้วยหลุดพ้นก็คือไม่มีใครหลุดพ้นจากตัวเองหรอกเพราะว่าไอตัวไอตัวของตัวเองเนี่ยมันเป็นด่านสุดท้ายเลยตัวเองไปไม่มีอะไรเลยเป็นแต่ความว่างเปล่ามันมันไม่ได้มีอะไรที่หลุดพ้นจากตัวเอง เพราเลยตัวเองไปก็เป็นความว่างแหละมันมันไม่มีเราเอาตัวเราเองเนี่ยไปรู้นั่นไปรู้นี่ไปรู้อาการไปรู้สภาวะแล้วเมื่อเราตัวเองไปรู้อาการรู้สภาวะมันก็เลยตัวของเราก็ติดอยู่ในสภาวะมันก็เลยมีอาการซึมๆมแช่แช่ทุบทุบตื้อไปเดี๋ยวออกบ้างออกเข้าไปบ้างออกบ้างออกเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดถ้าเรายังไม่ไม่เห็นตัวเองไม่รู้จักตัวเองเข้าใจไหมเนี่ย เข้าใจไหมเข้าใจแต่แต่ทำไม่เป็นค่ะตรงนี้หลายคนเลือกก็ติดตรงนี้มากนะติดตรงนี้คือเอาตัวของเราเองเนี่ยไปไปรู้อย่างอื่นแต่เรากลับไม่เห็นตัวเราเองเหมือนกับว่าคนที่ หลายคนที่เพ uh ่งสมมุติเรเพ่งสมมุตรเพ่งชอบเพ่งโทษคนอื่นเขาก็คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้ทําไมเป็นอย่างงั้นคนนั้นทําไมเป็นอย่างงี้คนนี้ทำไมเป็นอย่างงั้นคล้ายๆอย่างนี้นะไม่ได้ไม่ได้ว่าใครแต่เพื่อจะจะเอาไห้เห็นภาพพจน์ว่าใครคนที่ที่มาวัดเนี่ยแล้วก็ชอบชอบตำหนี้ติเตียนนินตาว่าหลายเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยแต่ใครอย่างเงี้ยก็คนนี้ทําไมเป็นอย่างงี้คนนี้ทําไมเป็นอย่างงั้นคนนั้นทำไมเป็นอย่างงี้ คนนี้ไป็นยมงไงบ้าคับคนนี้พูดมากคนนี้แต่งตัวไม่สุภาพทำไมคนนี้ชอบวางรองเท้าอย่างนี้เป็นระเบียบคนนี้ไม่มีน้ําใจเห็นแต่คนอื่นเนี่ยผิดไปหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นอยู่อย่างเดียวไม่เห็นตัวเองอ่ะที่ชอบตําหนิคนอื่นแล้วฉันจะสอนยังไงดีนะเนี่ยอย่างเนะงี้ยคือเราจะ เอาตัวเราเนี่ยไปเห็นแต่อาการของจิตที่มันถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างในทุกขณะปัจจุบันเลยแต่ไม่เห็นตัวเองเนี่ยนะซึ่จะสอนยังไงมันสอนอย่างนี้ยมันตานแต่มันไม่ไม่เห็นตัวเองคือเอาตัวเองเนี่ยไปเห็นเห็นแต่คนอื่นจะไม่เห็นตัวเองคล้ายๆอย่างเนี้ยแล้วเวลาเห็นตัวเองก็เห็นตัวเองน้ำตัวเองไปอีกคบางครั้งเวลาเห็นตัวเองบางครั้งเวลาเห็นตัวเอง ก็ยังมีตัวอุ้มไปเห็นตัวเองเดิจแต่ตัวเองซ้อนตัวเองกี่ตวงก็เป็นตัวเองทั้งหมดนะเนี่ยมันไม่ได้ไปมันไม่ได้ไปจัดการอะไรได้ตัวเองซ้อนตัวเองไม่ว่าจะซ้อนไปกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นอย่างมันก็เป็นตัวเองตัวเองก็ต้องก็ต้องรู้รู้ตัวเองนั่นแหละไม่ได้ไปไปรู้คนอื่นหรอกแต่ถ้าตัวเองไปรู้คนอื่นเนี่ยไอ้ตัวเองตัวสุดท้ายมันไม่มีตัวสุดท้ายหรอกไอ้ตัวเองนมันก็จะเป็นมีปัญหาอยู่เรื่อยไป เลยต้องรู้จักตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตัวเองเนี่ยจะมีกี่ชั้นกี่ชั้นมันจะซ้อนไปจนถึงว่าเราตายก็ตามเนี่ยก็ต้องสักสวรรู้ตัวเองไม่ใช่ไปรู้เอาตัวเองไปรู้อย่างอื่นเราก็ต้องสักสวรู้ตัวเองแม้แต่ตัวเองจะซ้อนซ้อนซอนก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอรู้ตัวเองพบกับมีตัวเองไปรู้ตัวเองตัวเองไปรู้ตัวเองเองก็ตามจะมีตัวเองไปรู้ตัวเองกี่ชั้นน่ะจนถึงวันตายมันก็คงจะสักแต่ว่ารู้ตัวเองเรื่อยไปไม่ไปรู้คนึ่งเข้าใจไหมเข้าใจไม่เข้าใจสั้น เอ้างงงงงงพูดโทรไปเรื่อยๆได้ไหมคะไม่ได้มันไม่ตรงทางเดี๋ยวถ้าเราไปทำอย่างน้มันก็จะอ้อมใหม่ไปเริ่มเริ่มนับหนึ่งไปเลยยังมันจะต้องยกตัวอย่างยกตัวอย่างย่งไม่ยังไม่เก็ตเดี๋ยวเดมันจะต้องมียกตัวอย่างที่มันเก็ตได้เดี๋ยวเมันจะไม่เก็ตใช่ไหมตัวอย่างที่ฉันยกเนี่ยมันยังวางตัวเองไม่ได้มันเข้าใจแต่มัน มันก็คิดเข้าใจแล้วก็รู้เลยว่าทําไม่ได้เพราะว่าก็จะเห็นเห็นอยู่อย่างเนี้ยเคยมีเนี่ยผู้ใหญ่ที่ก็รบนับถือแเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยผมปล่อยวางหมดแล้วเนี่ยปล่อยวางหมดทุกอย่างเลยไม่มีอะไรไม่ปล่อยวางเลยเนี่ยปล่อยวางหมดทุกอย่างเลยไม่มีอะไรไม่ปล่อยวางเลย บองอย่างๆๆงเลยอย่างหนึ่งอะไรพี่เลยไม่ปล่อยวางคือยังไม่ได้ปล่อยวางตัวเองผู้ปล่อยวางคือดูดิเธอตัวเธอนั่งอยู่เนี่ยตัวเรานั่งอยู่นี่นะแล้วเลยตัวเราออกไปเป็นอะไรเออเป็นความไม่มีอะไรเลยเลยตัวเราออกไปทุกด้านเป็นอะไรความไม่มีอะไรนั่นแน่จะเป็นตัวเรา ตอนกี่ชั้นกี่ชั้นแต่ไอเรานเนี่ยเนี่ยคือตัวสุดท้ายไม่ใช่ว่ามีอาการเป็นอาการสุดท้ายแต่ตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่ปรากฏอยู่ด่านสุดท้ายอยู่ตลอดไปเลยตัวเราไปเนี่ยคือความไม่มีอะไรเพฉะ้มีแต่ตัวเร า, อ ย, าอยู่ในความไม่มีอะไร เราก็จะไม่ใช่ว่าเราจะไปทำลายตัวเราแล้วเราจะปล่อยวางตัวเราได้นะไม่ใช่แต่ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นปรากฏเป็นด่านสุดท้ายในความไม่มีอะไรมันจะไม่มีตัวเราจะพ้นจากตัวเราไปอีกแต่ตัวเราเป็นเพียงตัวด่านสุดท้ายที่ไม่มีเราอีกเอจะพูดยังไงสุไปสุดไปเดี๋ยวจะ ง, งงใหญ่เดี๋ยามามันต้องหาวิธีพูดจนได้นะ พพูดยังไงเนาะมันยาูดยงไดยงไให้ลูกศิษย์เข้า ใ, ใจเดี๋ยวเดีเย็นๆเพระว่าถ้าลายของเนี่ยลายของเธอนะเข้าใจนะคนอื่นเข้าใ จ, นะาใจหมดเลยคนอนะื่นก็จะปิ้งได้ก็เก็ตกันเพราะไอ้ตรงนี้มันติดตรงนี้กันมาก ม, า, กม า, กายกายกองใช่ไหมติดกันตรงเนี้ยเยอะแยะมากเลยฉันจะยกตัวอย่างอะไรดี เอแต่แต่แต่คูบาเขาบอกว่าหลวงตาทําหน้าตาให้ดูเหมือนกับปริยาการภายในมันชัดเจนดีอธิบายยังไงก็ไม่ถึงใจประชาชนก็ทำให้ให้คูบาหลายท่านดูว่ามันเป็นอย่างเงี้ยไม่เห็นตัวเองการไม่เห็นตัวเองมันเป็นอย่างเงี้ยเลยทําให้ดูว่าดี่นะจะทําให้ดูไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายยังไงก็อธิบายยากนี่นะมันเป็นอย่างเงี้ยเวลาจันฉันเห็นพวกเธอทํานี่นะพวกเธอกบบ ทำหน้าตาในจิตอย่างเงี้ยพอดีก็อ่าเทปเทปแล้วเห็นอย่างไงไม่ได้วีดีโอก็แล้วเอาใช้าก็พูดอธิบายไปได้เลยกันเพราะเขอาจเป็นเทปเสียงไม่ได้เป็นไฟล์วีดีโอเวลาพวกเธอปฏิบัติกันเนี่ยพวกเธอก็งุ yeah. no ้ตคิดงุดตกุ yeah. the ้กุ้กุ้แต่เรื่องเรื่องการปฏิบัติเรามีปัญหาต่างๆก็ก็งุกุ้ตุ้ตกไอ้ตัวที่มันงุดตกุ้ตุ้เกี่ยวกับเรื่องหมกมุ่นคนคิดคิดหมกมุ่นจะเอาจะเอาจะเอาจะเอาจะให้รู้จะให้เห็นหาเหตุหาผลนะถูกหรืผิดมันก็ เนลานิ่ น, นิน่งคิดก็หมดนวันจิตท่นแสดงหน้าตาของท่านกิริยาการท่านเหมือนเป็นผิดเป็นจิตภายในของเธอเป็นตัวผู้จะเอาเป็นตัวตนของอุเอรภายในมันก็หน้านิ่งคิดก็หมุนหน้าตามยุงม่งโมโหจูจะเอาจะเอาจะเอาจะเอาจะเอาจะเอาหาเหตุหาผลหน้าถูกหาผิดพยายามเพง่งพยายามจ้องพยายามให้ดูพยายามดูพยายามให้รู้พยายามให้เห็นพยายามทําความเข้าใจพยายามหาเหตุผล พยายามจะหานิพพานพยายามจะเอานิพพานพยายามไม่ให้ว่างจากตัวตนพยายามไม่หลุดพ้นจากตัวตนมันก็น่านิ้วคิ้วก็หมุนเหมือนคนน่านิ้วคิ้วก็หมุนหน้าตาโมโหงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเหมือนกับวงาเป็นตัวเป็นตัวเราเนีงงงงงงงงเงงงงงงงงงงงงงงองงงงงงงงงงงเงงงงงงิงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงแงดอีกตัวนึง ไอ้ตัวที่มันน่าเนี้ยโเคก็หมดที่มันกวนกิดกวนกินมินหาเหตุอาบุเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันคือไอ้ตัวฝาแฝดกับเราที่มันจะต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยจนถึงวันตายมันคือไอ้ตัวฝาแฝดมันคล้ายๆกับว่าถ้าจะเปลียนเราจะสมมติให้เห็นภาพคนง่ายๆมันก็แฝดไทยที่แฝดสยามที่จังมากคือแฝดอินจันเนี่ยตัวติดกันเนี่ยแฝดอินจันตัวติดกันถ้าคนหนึ่งตายมันก็ต้องตายด้วยกัน เพราเป็นแฝงปิดกันมันใช่วิวัฒวะร่วมกันถ้าตัวหนึ่งตายมันก็ต้องตายมาีใจหเดี๋ยวได้แเดี๋ยวเราจะให้นาฤฤินอติบายให้นาฬิยกตัวอย่างอาจเก็ตก็ได้มันตัวอย่างได้ตัวอย่างหนึ่งอาจะเก็ตก็ได้ตอย่างนี้ก่อนก็ได้เข้าใจไหมที่เจียมนาฬินพูดนี้เข้าใจไหมเรื่องเงากับตัวตัวเราเงาเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นเป็นผู้รู้แต่อตัวเราที่ ก, กระทํากิยาการที่เราทําหน้าตามู่หู้หน้าลี้ที่หมวดภายในให้ดูเนี่ย ไอตัวเราที่คุณกิดกุณคิดยเห็นนะผลพยายามจ้องพยายามดูพยายามรู้พยายามจะทำลายตัวเราพยายามจะทำลายความยึดมั่นถือมั่นพยายามไม่ถึงบรรนิพพานพยายามไม่บรรลุนิพพานเนี่ยไอเนี้ยคือไอไอตัวที่มันยุ่งวุ่นวายที่มันตัวตัวกายเนื้อใช่หที่มันยุ่งวิ่งวายวิ่งวอรวิ่งวนแต่ไอตัวเงาเนี่ยมันได้แต่มันได้มันได้แต่รู้ไอตัวไอตัวไอตัวกายเนื้อที่มันยุ่งวุ่นวายเนี่ยไอตัวเงาก็ไปดกันไปไหนก็ไปด้กันคือยานารินเขาจะพยายามไม่เห็นว่า ไอ้เงากับกายเนื้อเนี่ยให้มันเป็นติ๊กตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ตัวไม่ใช่ไอ้ตัวมุกิไอ้ตัวที่งุ่นวุ่นวอะเออเออเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเราก็สมมุติว่าสมมุติมันมันมันใกล้ๆกับว่าไอ้ตัวที่มันเราเนี่ยมีแปดอินจันทเป็นแปดอินจันไอ้ตัวที่มันคอยงุนงินงุนงินงินจะเอาจะเอาจะไป็นยังจะงี้จะเอาให้ได้จะอะไรเงี้ยมันเป็นแปดที่คู่กับเราเป็นแป แต่เราเนี่ยเป็นผู้รู้เราก็ได้แต่เห็นว่าเออไอ้ไอ้นี่มันชอบบ่นชอบพูดชอบทำโน่นชอบทำนี่มันขยันจริงๆเลยเราก็ได้แต่เห็นมันอยู่แค่นี้เราทําอะไรมันไม่ได้เพราะมันเป็นแปดมันไม่ใช่ตัวเราจะเป็นแปดเราเป็นแปดที่ติดกันคือมันต้องอยู่ด้กันจนถึงวันตายเพร้นเราก็ได้แต่เห็นมันว่า เออมันวุ้นิดววุ้นนิแสดงอาการอย่างวุ่นหนึ่งงนี่แต่ไอตัวที่แสดงอาการไม่ใช่ตัวเราเปนเป็นแปดของเราเป็นเป็นกู่แปดของเราหรือว่าเราเนี่ยเป็นเพียงเงาของคนคนนั้นก็ได้คล้ายๆอย่างนั้นแหละแล้วแต่ว่าเราจะเข้าใจอะไรเป็นเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยเพื่อจะอธิบายเี๋ย t แต่เราเนี่ยมันไม่มันมั น, มนแก่เราเอาเอาตัวเราไปเป็นตัวเดียวเวลาเราทําอะไรเราก็เราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นผู้รู้หรอกเราก็เป็นไอตัวผู้คิด ผู้ตึกผู้ต่อผู้เพลงผู้จ้องผู้แสดงอาการเนี่ยตอนี้ถ้าเราเป็นผู้รู้เนี่ยเราก็เห็นได้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาว่าไอตัวแฝดเราเนี่ยมันแสดงอาการกิจวัตเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เพงผู้จ้ผู้คิดผู้คิดผู้คิดผู้คิดงนเงนเงินเงินเงินเเงินเนตลอดทั้งวันนนหน้านี้คิดก็หมดทั้งวันป่นหาทางหาถูกเอปิดหาปฏิพันบึมบมบมบอมทั้งวันเลย แต่ไอตัวที่พูดความือดความทั้งวันวิ่งงทั้งวันน่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวไอแฝดเราเป็นตัวฝอแฝดเราเราเป็นเพียงผู้รู้มาเฉยฝ่ายแฝดเราเนี่ยมันชอบขยันมากเลยเราก็ได้เออเมันขยันมากเลยมันขยันในมันขยันเยอะขยันเยอะจึงดีมันยิ่งหาความรู้มูนยิ่งชอบเออชอบชอบมันชอบใจชมเชยมันว่าไอตัวนี้มันขยันจริงๆเลยขยันทําขยันธุกิขยันโน้นถึงขยันนี่แต่ไอตัวผู้รู้เนี่ยไอตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้เนี่ย เราก็ได้่าเออมึงขยันไปมึงก็ทุกเองกแหละสู้กูไม่ได้กูสบายได้แต่รู้มึงได้แต่รู้ว่าเออมึงเดี๋ยวที่สุดมึงเหนื่อยมึงก็แย่อีกแหละอะไรเงี้ยแต่มึงขยันเนี่ยดีแล้วดีแหล้ขยันนี่ดีไม่ได้คิดไปทําลายอะไรมาหรอกได้แต่เห็นมาแล้วก็ได้แยิ้มยิ้ในใจว่าเออเอาต่อไปต่อไปขยันดีไว้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเราเป็นผู้รู้เราเป็นแปลกอินจันอย่างเงี้ยเราเป็นผู้รู้ก็เรียกว่าผู้รู้กับผู้คิดแต่ผู้รู้กับผู้คิด ไอผู้คิดผู้ปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งไม่แฝดกัเราแต่เราเป็นผู้รู้ไอแฝดเราแต่ชื่อว่าผู้คิดผู้ปรุงแต่งไอผู้คิดผู้ปรุงแต่งเขาเป็นเรวแฝดกับเราเราไม่ใช่ผู้คิดผู้ปรุงแต่งแต่เวลาเราเนี่ยเราปฏิบัติแล้วลืมไปตัวนี้ไปเลยว่าเราเป็นผู้รู้เราก็เรากลายไปเป็นผู้คิดผู้ปรุงแต่งเราไม่มีไอแฝดที่เป็นผู้รู้อีกตัวหนึ่งไม่ทราบจะเข้าใจเปล่าหรือเนี่ยเฮ้อ เดี๋ยวเข้าใจไ้มอ่ะเอาเอาแล้วก็มีเขาจะยกตัวอย่างเนี่ยไม่เข้าใจสักแล้วสักสักเราเราก็แหมเอาเอาเขอเทพขอเทพยกมือเอาเอาจะช่วยอธิบายใช่ไหมหรือว่าไงเอาเออมันต้องช่วยกันเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันมันสุดสุดเลยที่จะหาคำว่าคํามาพูดเดี่ยจะก็ไม่รู้จะหาแล้มันมันมีตัวอย่างที่ผมเคยได้ยินมาผมลองเอามาพิจารณาผมว่ามันก็น่า อคล้ายๆกับที่เราใช้ออตัวอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าผู้รู้คล้ายๆกับกระจกเงาคนที่ทําหน้าที่อย่างสมรติเป็นผู้หญิงเช้าๆมาก็ไปส่องกระจกอ่ะยังไม่แต่งหน้ายังไม่สวยสวยไม่สวยมันอยู่ที่ใจของผู้ที่แต่งหน้าแต่กระจกมันทําหน้าที่ฉายออกมาอย่างเดียวกระจกมันทําให้เราสวยหรือไม่สวยไม่ได้มันทําหน้าที่รู้อย่างเดียวถ้ามีสังขารที่ปรุงเข้ามาไปที่กระจกมันก็ปรากฏออกมา ไม่มีสังขารไปอยู่ที่กระจกก็ไม่มีอะไรปรากฏแล้วกระจกมันก็ทําเราทําอะไรเราไม่ได้ทําหน้าที่แสดงออกมาเท่านั้นเออก็เข้าท่าดีนะอันเนี้ยดีกว่าหอแฝดอีกกระจกกระจกกับกระจกกับไอตัวผู้งผูงแตกมุนิ้เงี้ยคือตัวที่อยู่หน้ากระจกเราคือกระจกไอตัวมุนงิดไอตัวมุนกึ้นไม่ใช่ตัวเราแต่เราเนี่ยคือกระจกที่สะท้อนตัวเราที่ต้องเห็นตัวเราเ อ, อก็เข้าท่าดีมันก็ตัวอย่างนี้เข้าท่าดี เขาท่าเขาท่าเขท่าดีกว่าแบาแปดอีกเขาท่าดีกว่าเรากับกับตัวเราอีกไม่ทราบว่าจะเข้าใจไหมกระจกกับกับเราเนี่ยนะอาอาอาพูดหม่เนี่ยก็อ่านก็เห็นมากขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเงามันเหมือนอุ้มเข้าใจด้ความคิดแต่พอเป็นกระจกมันก็เริ่มเข้าถึงใจบ้าง ตอนนี้เวลาปฏิบัติทุกขณะปัจจุบันเนี่ยไม่ว่ากายจะทําอะไรเนี่ยปัญญาที่เราเข้าใจว่าอย่างเนี้ยเราจะต้องอยู่ในใจเราตลอดเวลาไม่หายเลยแล้วเราไดเห็นอย่างเนี้ตลอดเวลาเราถึงจะพ้นทุกไปได้แต่ถ้าเราในชีวิตประจําวันเราทิ้งไอ้ปัญญาที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจที่มันเป็นมโนภาพอันเนี้ยเป็นความรู้สึกอย่างเนี้ยว่าเราเนี่ยคือกระจกเงาที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้ที่ปรากฏการไม่ได้ ได้แต่รู้หรือได้แต่สะท้อนภาพของตัวเราที่กําลังมุดกินมุนกินมุดกินมุดกินมุดกินเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่ใช่ตัวเราที่มุดกินแต่เราเป็นเพียกระจกเงาอกระจกเงาที่ไม่มีวันแตกไม่มีวันดับไม่มีวันตายแล้วก็เพราะว่าอะไรมันไม่ปรากฏการเคลื่อนที่มันก็ไม่ปรากฏการดับแต่ตัวเราที่มุดกินมุดกินนี่สะท้อนภาพในกระจกเงาเนี่ยมันเป็นตัวเคลื่อนที่มาเลยตัวดับมันก็เรียกว่าตัวปุงแต่งไอ้ตัวปรุงแต่งไม่ใช่เรา เราเนี่ยเป็นเพียงแก่เป็นกระจกเงาเขาเรียกว่าธาตุรู้แต่ถ้ารูม้มีตัวตนหลับมีตัวตนไม่มีอะไรเลยไม่รูปร่างไม่มีอะไรเลยแต่มันมันทำได้แค่เปรียบเทียบไปเห็นนี่ยเนี่มันจะเอาความไม่มีมาพูดยังไงก็มันมันก็พูดไม่ไม่เข้าใจมันก็เลยเอากระจกเ ง, งามาแทนก็ได้ดีดี ด, ดีกว่าไอ้เ อ, อฟอ่ะแดเข้าใจไหมเนี่ยเราอย่างนี้เวลาจะปฏิบัติต่อไปก็คือให้นึกถึงแบบปัญญาตรงนี้อะค่ะทุกขนาดจิตอ่ะ เออเราจะยกตัวอย่างไอตรงนี้ก็มันยังไม่ถึงใจใช่ไหมล่ะยังไม่ถึงใจคอือยังไงพูดยังไงก็ไม่พ้นตัวเราไปเลยคือไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่นคือเราจะพูดยังไงอาจารยนะ์ลองลองนี่ได้ไหมฮ ะ, ะเปรียบเยทียบคิดที่คิดปรุงแต่งข้างในแล้วที่อาจารย์บอกว่ามันนึงมีความคิดโด น, นคิดโู่ น, นคิดสารพั ด, นนดลลลเลยแบบ เราเรียกมันว่าจิตส่วนตัวผู้รู้เนี่ยเรามาเรียกเป็นว่าใจจะวันบางวันเนี่ยเรานั่งแต่บางใจเราก็ยิ่งรู้สึกไม่ได้พูดผพานกลใ จ, จมันสงบก็คือรู้แต่เออมันคิดโน้นคิดนี้ยิ่งไปหมดรู้ว่าจิตพุพน่นวายแต่ว่าเ อ, อแต่ว่าใจเราไม่ได้ไปไวุ่นวายกับมันด้วยหือใจเราเขาอาจจะนิ่งๆิสงบแต่จิตมันก็คิดเลือเ่อดเบื่อหน่ มันจะจชัดชิ้หน่อยไหมฮะมันก็เหมือนกันไป็นชายเนี่ยก็อย่างเง้ยพอพูดอย่างนง้ยแต่ก็หลวงปู่เทตก็มาสอนอย่างนั้นน่ยเออคือท่านท่านท่านพยายามเอามาอธิบายว่าให้มันไม้เหมือนกันคือจิตที่ปรุงแต่งกับใจที่มันมันไม่มีอะไรเนี่ยคือคุณละนการชา่มันแต่ในในในของไอในของไอเซนเนี่ยเขาก็เอาอ่ะไอไอใจเนี่ยที่มันที่ฉบอกว่าัแ้งมันเหมือนบนลูกเขาเขาเปรียบนะ ก็เป็นมดลูกหรืออุเป็นคันนะส่วนไอ้จิตที่ปรงแต่งมันยิ้งี้เนี้ยเที่ เ, เนเี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเที่ เ, เยายา น, าา น, นี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเน้ยนี้ยเนี้ยหนีหย้ยเ น, นี้ยเนี้ยเน้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียเนี้ยเหตุหาผลพยเาาาานา้ยานี้เนทุกเนี้ยเนี้ยเนี้ยน้านีคยเกี้ยเนี้ยเนีเนี้ยเนีนี้ยนี้ตเนี้ยเนีเนี้เนี่ยเมี้นี้ยเน้เนี้ยนีเนี้ยนี้เนี้ยน้เนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยน้นีนี้ยเนี้ยี้ยเนเวลาเนี้ ที่ดี้นค้นหาที่พยายามเลยเนี่ยมันเป็นเด็กในคันเพราะันไอ้เด็กในครันกับคันนะเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันไอ้เด็กในครันก็คือคอยงุ้งุ้งุ้นงุ้นงุ้นล้นงุามันก็มันก็คลอดไปเปลี่ยนไปแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแต่คันหรือมนุกย์ก็คงเป็นคันเดิมหละก็คงคงเป็นคันเดิมเป็นที่รองรับของไม่ใช่เป็นรองรับไปรองรับอะไรแต่ก็คือว่าเป็นที่เป็นที่เกิดที่ดับของจิตที่คิดตรงแต่งคือเด็กในคันหลวงพุทธเจ้าก็เอามา สอนเพืเปรียบเทียบเพืเห็นว่าไอ้จิตเพื่อให้เห็นมันแตกต่างแล้วว่าไอ้จิตที่ปรุงแต่งมันไม่ใช่ใจส่วนใจเนี่ยคือมันนี่อยู่ตัวตนไม่มีอะไรเลยแต่มันรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจคือมีจิตปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นในใจมันป็นป็นป็นหุนหุนหุนหุนหุนหุนหุนหุนหุนหุนหุนหุนหุนหุนหุนหเนีุนหันหุนเุนหุนหุนหุนหุนหุนหุนหุนยุนหุนหุนอย่างนหุที่เอานหุนหุนหุนหุนหุนห็บอกว่า มันไม่มีหรอกมันมีแต่ขันห้าถ้ามีผู้รู้อีกอันนึงมันก็หลงแล้วอะไรเงี้ยอพเราก็เห็นก็เถียงแล้วก็จะชอบว่าพวกไอ้ที่สอนว่ามีมีผู้รู้นอกจากขันหน้าอีกอันนึงเนี่ยเขาก็จะว่ามากเลยพว ก, พวกที่ติดคมพี์ต่างๆเนี่ยนะเขาบอกในคัมพี์ไม่มีหรอกมันมีแต่ขันหน้าผู้รู้ไม่ไอ้ไม่มีผู้รู้แยกออกมาจากขันหน้าไม่มี คือคือเขาก็พูดถูกไม่มีผู้รู้แยกมันจากกันนะคือไม่มีใครแยกออกมามันไม่ไม่มีผู้รู้เนี่ยแยกออกมาไม่พยายามทําผู้รู้เนี่ยตัวเราเนี่ยแยกออกมาจากขันห้าแต่ไม่ถึอว่าขันห้าเกิดอาการนุ่นกินนุนกินเนี่ยมันไม่มีผู้เสวยมันไม่มีผู้รองรับไม่มีผู้ไปยึดมันก็มีแต่ขันห้าแสดงอาการนี่แต่มันไม่มีใครเสวยไม่มีใครไม่มีใครไปยึดไม่มีใครไปรองรับมันก็เลยมีแต่อาการที่มันเนี่ย มุงินงงินงุนงิ้นอยในใจที่มันว่างเปล่าในใจที่ไม่ใช่รู้สึกว่างเลยนคือในใจที่ไม่มีเหมือนกับไม่มีใจมีแต่อาการงุนงิดใจไม่มีเขาก็เลยบอกว่านี่เนี่ยมันมีแต่ขันห้าเห็นไห้ผู้รุ้มไม่มีเพราะว่ามันมีแต่อาการของขันห้าแล้วมันก็เกิดจับอยู่ในวาในใจที่ไม่มีอะไรไม่ใช่รู้สึกว่าในใจที่วงว่างๆนะคือในใจที่ไม่มีตัวใจแต่ถ้าพี่ยศนาให้ดีเนี่ยแล้วใครเราที่สามารถเอามาพูดได้ว่ามันมีกิริยาการที่งุนงิ้นงุนงินกุนยิ้แล้ว แต่มันไม่มีไม่มีใจไม่มีใครไปจิตไออาการงี้วุ่นคิดวุ่นคิดตลอดเวลาที่มันมีอาการเพ่งจ้องคิดนึกตึกตองมีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นมีอารมณ์อย่างนั้นมีอารมณ์อย่างนี้มีความหาถูกหาผิดที้นลนค้นหาพยายามงุ่มงงงันงุนง่านงุนงานงุนงานเนี่ยแต่กิริยาการเหล่านั้นเนี่ยถึงจะเป็นกิริยาการยังไงก็ตามไม่มีไม่มีใจหรือไม่มีใครมารองรับไม่มีใครมายึดมั่นถือมั่นไม่มีใครมาเตาเหว่ ม้นก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเราคู่คนไปตลอดจน ก, กว่าจะตายแล้วไ อ, ไอ้อาการที่คุณงิดคุณงิตมันก็ดับไปเหลือแต่ความไม่มีอะไรแต่ถ้าเราสังเกตให้เราจะแต่ถ้าเราเนี่ยเอามาพูดกันก็มาพูดกันก็จริงๆแค่พูดก็ได้จริงอะ่ะถ้าเจราเหตุผลมาเสียงกันเน่ะว่าไม่มีใครหลอกออกมาจากขันห้าถ้ามีขันห้าแล้วมีผู้รู้อีกอันก็หลงแล้วไม่ใช่คือมันก็ถูกถเสียงกันอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะแล้วใครละที่มันมาพูดได้ว่า เนี่ยมีแต่อาการแล้วมไม่มีใครไป็นเสวยมันเป็นอยู่มันอยู่เป็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดคือมันก็มีคนว่าที่มันเราเห็นเนี่ยมันอยู่ว่าเนี่ยมันมีแต่กิริยาการที่แสดงมันิ้มมัยิม้มีเพลงมีจ้องมีความรู้สึกพฤติดอารมณ์มีเพลงมีจ้องมีวิเคราะห์วิจาร์วิจัยมีหาถูกหาผิดหาเหตุเอาผลต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาการใดๆมันไม่มีใครมารองรับไม่มีใครมายึดมั่นถึงมันมันมีคนบอกได้อีกคนหนึ่งแต่คนบอกได้อีกคนเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันแล้วมีใครคั้นไปพูดเข้า ว่ามันมีอีกคนหนึ่งมันเลยกลายเป็นไอคนเนี้ยมีมันก็เลยบอกว่าเถียงกันว่าไอเ น, นี้ยผิดอยู่นั่นแหเถียงสอนผิดแต่ถ้ามันไม่มีตัวเนี้ยแล้วมันจะปฏิบัติยังไงแต่ก็จะบอกว่ามีตัวก็สอนผิดอีกใช่แหม่พูดยาก <c oughs> เออเราก็บอกไอ้รเราชอบพูดมันสมมตินะเราสมมติเราพูดกันให้เข้าใจเดี๋ยวเอาไปจริงเป็นจังพยายามแยกตัวเราออกมา เดี๋ยวกลายเป็นพยายามแยกตัวเราออกจากหน้าแยกตัวเราออกจากตัวเราอ่ะเดี๋ยวเข้าใจผิดจะเป็นทำแยกจริงๆอ่ะไม่ใช่คือว่ามันต้องพูดสมมติให้ให้มันเนี่ยสามารถสื่อกันได้เข้าใจกันได้มันไม่งั้นมันพูดไม่รู้จะพูดอะไรถ้าอย่างนั้เป็นอย่างั้นก็ตั้งไปเฉยๆไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเลยดีกว่าเข้าใจมันมันไอเรื่องการสอนเนี่ยแต่มันเอาไปแล้วก็ทะเลาะกันอยู่ได้จนนั่นแหละเียงกันอยู่ได้แหละทั้งนคืนน่ยคนคนที่เออ รู้จริงไม่รู้จริงเนี่ยนี่ถ้าเธอเขาใจแล้วไม่มีใครแยกออกแร้วนี่คนไม่รู้เนี่ยฟังผิดมันก็เอาไปยายาพยายามดึงความรู้สึกเอาตัวเราเนี่ยไปสร้างตัวเราอยู่นอกตัวเราก็มีเพื่อให้มันพ้นจากตัวเราไปซะเลยคือเอาสร้างตัวเราไปแวดแวในใ น, ในนอกตัวเราในอากาศแล้วค่อยมองดูตัวเราว่ามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างไรให้มันหลุดพ้นจากขันห้าไปเลยคือตัวเรา อย่างนี้มันผิดแท้ๆใช่การปบัติแบบนี้เราผิดแน่นอนแล้วรับรองคือมันไม่มีตัวเราเนี่ยหลุดไปออกจากว่าอะไรไหมไม่มีตัวเราหลุดจากขันห้ามีแต่ขันห้ามันแสดงกิริยาการแล้วไม่มีใครมายึดมั่นถือมั่นถ้าพูดอย่างเนี้ยมันก็เถียงกันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มันมีแต่กิริยาการของขันห้าแม่ไม่มีตัวผู้มาคอยรู้ขันห้ามีแต่กิริยาการของขันห้าคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ แล้วก็ร่างกายที่มีความรู้สึกในคิดอารมณ์ต่างๆทุกกิยาการไม่มีผู้มาคอยดูขันหน้าไม่คอยไม่ต้องมีผู้มาคอยจ้องขันหน้ามีแต่กิยาการของขันหน้าที่มันแสดงอยู่ทุกขณะปัจจุบันเนี่ยแล้วไม่มีใครมายึดมั่นถรือมั่นไม่มีใครมารองรับไม่มีใครมาเสวยเนี่ยแต่จะบอกว่าไม่มีผู้รู้อ่ามันรู้ได้ยังไงอ่ะว่าไม่มีใครเสวยมันก็สามารถบอกได้นีครับเพราะมีกิยาการของขันหน้าและผู้เสวยไม่มีมันก็รู้ได้แล้วไอ้รู้เนี่ยใครรู้อ่ะ เออเขาอาจจะเรียกภาษาต่างไปก็ได้ในภาษาตำราเขาอาจจะเรียกว่ายานก็ได้บ้งไม่ต้องเรียกว่าผู้รู้เรียกว่ายานถึงตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรเป็นยานไปแล้วมั่งเออเป็นยานเป็นฌานไปแล้วออวิปัสสนาญาณหรืออะไรจะเรียกอะไรก็ได้ฉันก็ไม่รู้หรอก <c oughs> แต่คือ <c oughs> มันสามารถรู้กันแล้วว่าอืมันไม่ทุกมันไม่มีผู้ยึดก็ไม่มีผู้ทุกเนี่นั้นแหละ <c oughs> ไอ้ตัวเนี้แหละมันก็มันก็ มันไม่มีตัวหรอกแต่มันรู้กัแล้วกันว่ามันเป็นอย่างนั้น่ะจะเรียกว่ายังไงก็เรียกไปเถอะอืมจะขี้เกียจไปเถียงกันใครอ่ะเดี๋ยวใครเอาพาาาจมมาเถียงอาจารย์เลยเถียงขี้เกียจเถียงเข้าใจยังลุกเข้าใจยังนะเดี๋ยวม่เข้าใจเช่กันรุมหน่อยให้เข้าใจให้ได้เอาอุ้ยไอ้เรื่องนี้นะ มันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือมันเหมือนในอะไรน้ําท่วมปากมันไม่รู้จะหาคําที่เป็นสมมติบัญญัติมามาใช้ให้มาใช้ได้เพราะว่ามันเกินกว่าไอ้คำภาษาที่เขามันเขาเขาแต่งขึ้นมาสมมติมันไม่สามารถก้าวขึ้นไปถึงไอ้ไอ้เนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยต้องยืมภาษายืมตัวอย่างมันเยอะมากเลยแล้วก็ยิ่งยืมมาจะมาใช้ มันไม่ว่าจะยืนภาษามาพูดอย่างไรมเลยกายเป็นมีจริงจริงบริติจริงจากไม่มีพอพูดอะไรไปมเลยกายเป็นมีไม่ว่าจะพูดยังไงก็ตามมันบอกว่ามีแต่ไอ้สิ่งหนึ่งที่มันมีมีกิริยาการที่ปรากฏเกิดขึ้นระดับไปเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเรียกว่าสังขารกับอีกการหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวไม่มีกิริยาการไม่มีอะไรเลย แต่มันรู้ได้ตรงนี้เลยพาหลงเลยมันไม่มีอะไรสักอย่างเดียวแต่มันรู้ได้แล้วขอไม่มีอะไรเลยแล้วมันรู้ได้ยังไงก็เถียงกันอยู่นี่เนี่ยมันก็แต่พอว่าขอมันรู้มันไม่มีอะไรเลยแต่พอมันรู้ได้เราก็เลยว่าต้องมันมันต้องมีจะบอกไม่มีก็ไม่ได้เพราะไม่มีก็ผิดอีกเพราะว่ามันสามารถรู้ได้จะบอกว่ามีก็ผิดอีกเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยแต่มันรู้ได้นี่เราจะพูดยังไงแบบเนี้ยคือ ไอ้ฝ่ายหนึ่งน่ะมันมีแน่นอนคือมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีกิยาการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแต่อีกฝ่ายหนึ่งคือผู้รู้เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามีสองฝ่ายหลักแต่ต้องสมมุติเป็นเหมือนกับสองฝ่ายเป็นสมมตินะจะเฉยๆจะพูดเราเป็นสมมุติมันมีเลยต้องสมมุติเราเป็นสองฝ่ายคือมีอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมันรู้ว่าไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าว่ามันมีมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นแล้วก็ไม่มีใครไปไม่มีใครไปยึดม้านหรือว่าไม่มีใครไปเสวย ไม่มีใครเป็นเสวยทุกกิยาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเลยคงมีได้กิยาการในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นและผู้จะไปเสวยผู้ที่ไปลองรับไม่มีไปลองรับไม่มีเลยมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่บอกขันไปพูดเข้าว่ามีสองฝ่ายมันก็เลยไปสร้างเป็นสองด้านสองฝั่งเข้าไปอีกแต่จริงจิงมันไม่มีสองฝั่งมันมีฝั่งเดียวคือ ม, มีแต่เวไอขันห้าคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ แล้วก็ไม่มีใครมาเสวยไม่มีใครมารองรับไม่มีใครมายึดมั่นถือมั่นไอ้รูปขันกับนามขันนี่คือร่างกายกับจิตใจคือความรู้สึกในคิดอารมณ์นี้มันมีฝั่งเดียวมันนี่มีสองฝั่งไปไปไปสร้างตัววัลยตัวเรานีนเป็นผู้รู้อีกฝั่งหนึ่งมันไม่มีเพราะว่าไอ้ตัวผู้รู้มันไม่มีตัวตนกันมันเลยไม่มีอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันมีฝั่งเดียวเนี่ยฝั่งที่เป็นขนันหน้าคือร่างกายแล้วก็จิตใ จ, ใจคือความรู้สึกในคิดอารมณ์ไม่มีใครมายึดมั่มนถือมั่นคงมีแต่ ร่างกายที่เป็นกายเนื้อเดื่ยที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันก็มีของมันตามปกติไม่ว่าจะมีกิริยาการใดก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่มีอาการปรุงแต่งขึ้นมาแต่ผู้มาลองรับกิริยาการปรุงแต่งนั้นไม่มีมันไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวเนี่ยแต่มันก็พอพูดแต่ผู้มันก็หลงเลยทันทีว่าแต่มันก็รู้ได้ว่าไอเนี่ยทุกกิริยาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันมันไม่มีใครลองรับตลอดเวลาไอความรู้เช่นเนี้ยมันไม่ใช่ว่าไปจ่อรู้ไว้ ไปตั้งใจรู้ไว้ไปจ้องรู้ไว้คือมันรู้แบบว่าท่านก็กล่าวว่าเหมือนคนถูกตัดแขนขาดก็รู้แล้วว่าถูกตัดแขนขาดคือคนตัดถูกตัดแขนขาดมันก็จะต้องรู้ว่แขนตัวเองอะถูกตัดขาดโดยไม่ต้องไปจ้องรู้ว่าไปจ้องดูจ้องรู้ว่าตอนนี้แขนขาดแต่มันก็ยกตัวอย่างซะหน้าหวาดเสียวแต่บางครท่านยกตัวอย่างไปแค่นี้ยพอแล้วว่าแล้วอิ่มข้าวเนี่ยแล้วอิ่มมากกินมาจ้านี่ยกินข้าวมันมาอิ่มอิ่เนี่ย แล้วถามว่าอิ่มหรือยังแต่ละคนก็ตอบได้ว่าอิ่มแล้วรู้ได้ยังไงว่าอิ่มขั้นถามเขาว่ารู้ได้ยังไงว่าอิ่มต้องมีผู้ไปจ้องดูท้องตัวเองไหมว่าอิ่มมีผู้ไปดูท้องตัวเองไหมว่าอิ่มมันไม่มีผู้จ้องไม่มีผู้ดูไม่มีผู้รู้อไม่มีผู้จ้องไม่มีผู้ดูผู้รู้แล้วรู้ยังไงว่าอิ่มไหนตอบหน่อยซิเนี่ย ก็เถียงกันก็เถียงกันจนวันตายนะมันรู้จะเถียงยังไงฉันเลยไม่อยากเถียงใครใครไม่เอาฮะไมฝันไมอะไรรู้เองก็รู้เองไปเถอะอุ้ยมันก็บอกมีบ้างไม่มีมากอะไรเงี้ยคือไม่มีแล้วมันรู้ได้ไงว่าท้องอิ่มอ่ะก็มันรู้กันแล้วกันน่ะเออมันรู้กันแล้วมัอิ่มมามันไม่อิ่มไปโดยไม่ต้องไปดูท้องตัวเองไม่ต้องไปจ้องดูท้องตัวเองไม่ต้องไปมองดูท้องตัวเองไม่ต้องไปคอยรู้ท้องตัวเองแต่มันอิ่มแล้วกันอะ อิ่มก็รู้ว่าอิ่มแล้วกันไม่ต้องมีไม่มีครอกฉันไม่บอกว่ามีหรือไม่มีหรอกแต่รู้ก็แล้วกันว่าท้องอิ่มเออเอออย่างนี้ค่อยเหมือนกันเลยจิตที่มีความรู้สึกนึกิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในทุกขณะปัจจุบันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันไม่มีผู้จ้องผู้ดูผู้รู้ผู้คอยเพ่งผู้คอยไปสังเกตมันไม่มีกิริยาการของเหล่านั้นเลยเหมือนกับไม่มีผู้คอยไปดูท้องตัวเองแล้วต้องบอกว่าอิ่มอิิ่อิ่ มันไม่มีไม่มีผู้จ้องดูไม่มีผู้ไปคอยรู้ไม่มีคู corridor, ค tekrar, ค้พ่อไปยามไปดูแต่มันร no ู a, ้แล้วก er ันว like ่ามัน <read> ม <stain III> ีกิยาการที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครไปรองรับมันไม่มีผู้ต้องคอยไปดูว่าทุกกิยาการเกิดขึ้นเนี้ยมันไม่มีใครรองรับไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่มีหรอกว่าไอ้ผู้ที่ไปคอยดูไปคอยรู้ไปคอยสังเกตมันไม่มีเลยแต่มันรู้ขึ้นมาได้ใจของตัวเองเลยว่าเนี่ยมันทุกกิยาการที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ขันห้าเนี่ย มันไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครไปคอยสังเกตสอาการไม่คอยมีใครไปเพ่งไปจ้องเลยแต่มันรู้ได้ว่าทุกิฏาิการที่เกิดขึ้นไม่มีใครไปรองรับมันความไอความรู้อย่างเงี้ยมันรู้อยู่ตลอดเวลาว่าท้องเราอินข่าวแล้วโดยที่ไม่ต้องไปจงไปจ้องดูดังนั้นเนี่ยผู้ที่ไปฝึกแล้วก็คอยดูอาการมีผู้เข้าไปคอยดูอาการไปสังเกตอาการไปคอยรู้อาการเนี่ยมันปฏิบัติผิด มันบัติผิดจากธรรมชาติเหมือนกับมันมันไม่เหมือนกับท้องเรากินข้าวอิ่มแล้วเราก็รู้ว่าเราอิ่มแต่มันไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่มีกิริยาการของผู้รู้แต่มันรู้ได้ตลอดเวลาว่าอิ่มข้าวอิ่มจริงๆเลยกินมาเมาืเช้านีแน่นท้องหมดเลยมันไม่มีผู้ต้องไปจ้องไปคอยสังเกตไปคอยดูไปคอยรู้ไว้มันเหนื่อยมากเลยทําแบบนั้นอ่ะเพราะมันทําผิดธรรมชาติดันั้นเธอบอกว่า มันคอนีมีเนี่ยหรือคอยมีผู้เขาไปดูตัวหนูเนี่ยหรือคอยพูดมีผู้ก็ไปดูไปรู้มันอยากไปดูไปรู้แต่ปล่อยมันน้ําญ่มันจะไปแตามันอยากไปดูไปรู้ก็รอเขาบอกให้มันว่ามันก็เหมือนกับอาการของท้องอิ่มมันแหละปล่อยมันนั้นไอไอการที่เขาไปดูไปรู้เนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นกิริยาการเหมือนเราเคกินข้าวอิ่มแหละเราจึงสามารถบอกได้ว่าตอนเนี้ยมันแสดงกิริยาการที่เขาไปดูไปดู มีอาการที van, ่เข้าไปเพ่งจิตมีอาการที่เข้าไปดูจิตมีอาการที่เข้าไปรู้จิตแต่เราอย่าหลงมันว่ามันเนี่ยเป็นผู้รู้แต่เราเนี่ยรู้ว่ามันมีอาการที่เข้าไปเพ่งจิตไปดูจิตแล้ในอาการที่เข้าไปเพ่งจิตไปดูจิตเนี่ยมันเป็นกิริยาการที่เหมือนกับกินข้าวหิตเราเลยรู้ได้ว่าตอนนี้มันมีกิริยาการที่เพ่งจิตเข้าไปดูจิตเข้าไปรู้จิตเราเลยเอามาบอกเราได้ครับว่าอาจารย์มันเนี่ยมันคอยเข้าไปดูจิตอีกแล้วคอยเข้าไปรู้จิตอีกแล้วเราเลยเอามาบอกได้ครว่า เนี่ยมันมีกิริยาการอย่างนี้แสดงว่าไอ้กิริยาการที่เขาไปเพ่งจิตไปดูจิตเนี่ยไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยมันเหมือนท้องอิ่มที่เรารู้มาที่มันบอกเราได้แต่เราเวลาเราปฏิบัติเราปฏิบัติเราก็ใจผิดเราเอาไว้ตัวเราพื่ไปรู้อาการภายนอกเนี่ยมาเอาอาการภายนอกมาบอกเราแต่ไม่ได้เอากิริยาการที่มันมีอาการผู้เข้าไปดูไปรู้จิตเนี่ยเป็นอาการแต่เราเอาไอ้ตัวเราเนี่ยที่ไปดูอาการเนี่ยอาจารย์มันว่ามันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบาย มันคิดมันนึกมันสึกมันตองแต่อาการที่เราคอยไปเพ่งไปดูไปรู้ไปสังเกตจิตไว้ตลอดเวลาไม่ได้มาบอกเราว่าไอ้ตัวนี้มันมีอีกตัวหนึ่งถ้าพอบอกเราเนี่ยไอ้อาการที่ไปเพ่งดูเนี่ยไปรู้เนี่ยมันคือท้องอิ่มที่ถูกรู้มาแล้วจีมาบอกเราได้ว่าอาจารย์มันมีนอกจากอาการที่พูดทั้งหมดนั้นมีอาการที่เขามีอาการอีกอาการนึงอาการที่เขาไปดูจิตเขาไปรู้จิตเขาไปเพ่งจิตเขาไปสังเกตจิตมันมีอีกอาการหนึ่งถ้าบอกแบบนี้แสดงว่า <rép> 2019, <SPEAK S 1> ไอ <st ut ters> uh, like ้ผู้ที่ไปดูจิตไปรู้จิตไปเพ่งจิตไปคอยสังเกตจิตเนี่ยมันเป็นอาการที่ถูกรู้เหมือนท้องอิ่มอ่ะเหมือนกินข้าวอิ่มแล้วก็เลยถูกรู้มาแล้วมาบอกเราว่ามันมีอีกตัวนิ่มมีตัวอ้วงนะมีตัวไอ้เพ่งจิตเราไม่ไปทำอะไรเพราะเราก็ว่าแต่ก็ได้แต่รู้มันว่าเออมันท้องอิ่มเหมือนอาการที่อิ่มข้าวคือไอ้การเพ่งจิตก็เหมือนอาการอิ่มข้าวที่ถูกรู้มาเราก็ไม่ไปทําอะไรกับมันเราก็ไม่มีไม่มีตัวเราไปติดอะไรไม่มีตัวเราแช่อะไรแล้วไม่มีตัวเราต้องไปพยายามให้ตัวเราออกจากอะไรเพราะตัวเราไม่มี มันไม่มีตัวเราคือมันไม่มีไอตัวที่รู้ว่าท้องอิ่มมันไม่มีจึงไม่มีไอตัวที่รู้ว่าท้องอิ่มเนี่ยมันไปติดอะไรไปแช่อะไรมันอาการที่รู้สึกว่าเราไปติดอะไรไปแช่อะไรเนี่ยมันก็เหมือนอิ่มข้าวจึงบอกได้ว่าตอนเนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในอะไรอาการที่หนูมาบอกได้ว่าหนูเนี่ยมันมีอาการเหมือนหนูเนี่ยเข้าไปติดอยู่อะไรไอ้ที่หนูเนี่เข้าไปติดอะไรเนี่ยคือท้องอิ่มแล้วอิ่มข้าวมา แต่แทจริงอ่เราไม่ใช่ว่าตัวเราที่ไปติดอยู่ในอาการนั้นเรานี่ยเนี่ยคือพุทธิมารู้ว่าเราเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในอาการนั้นเพราะอาการนั้นเหมือนท้องอิ่มและไอ้พุทธิมารู้ว่าท้องเราอิ่มเนี่ยอิ่มข้าวแล้วเนี่ยนั่นแหละมันคือผู้รู้คือพุทธะไม่ทราบจะเข้าใจไหมเนี่ยบอกไม่ถูกรู้แต่ว่าไม่ต้องทําอะไรปล่อยวางไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมคะเนี มันก็เป็นปลายของมันเออก็เดี๋ยวมันก็รู้มันก็ขึ้นมาเองเออดวงตาถ้าถ้าไม่ต้องทำอะไรอยู่กับปัจจุบันอยู่ไปเลยได้ไหมคะเดี๋ยวทำไมต้องถ้าไ ม, าไม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วทำไมจึงบอกต้องพูดว่าอยู่กับปัจจุบันถ้าไม่งั้นจะต้องทำให้อยู่กับปัจจุบันค่ะเมื่อกี้บอกไปเองแลวว่าอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไร มันก็สบายไปแล้วเพราะพราว่าแต่มันต้องอยู่กับปัจจุบันตอนนี้มีการทาแล้วพราะไม่ทำอะไรแล้วทุกอย่างมันก็ว่างเปล่าเดี๋ยวในความว่างเปล่าเนี่ยมันก็มีจิตข้งมันแสดงอาการมันเองไงแต่ไม่มีใครไปสำรวจไม่มีใครไปรองรับสบายไม่จริงมีการทำให้สบายแล้วพยายามทำปล่อยวางมีการทำปล่อยวางเห็นไหมพวกเราเห็นไหมเนี่ย มีการทำให้สบายและทำให้ปล่อยวางปล่อยวางไม่จริงจริงสบายไม่จริงถ้าปล่อยวางจริงสบายจริงเลยนิพพานธาตุหรือธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุของเราเนี่ยไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความรู้สึกนึกใช่อารมณ์ไม่ใช่กันธ์้าเราเป็นนิพพานธาตุหรือธาตุรู้หรือธาตุว่างหรือวิญญาณธาตุหรือวิญญาณที่มาปฏิสุนทรวิญญาณที่มันไม่มีอวบิชาแล้ว มันก็จะเป็นนิพพานธาตุแต่วิญญาณที่มาประดิษฐ์วิญญาณที่มันจะมีอวิชาอยู่มันก็เลยยังไม่เป็นนิพพานธาตุเราคือนิพพานธาตุที่เป็นความว่างเปล่านั่นแหละแต่ทําไมอ่ะพอละวางหมดมันก็เลยว่างเปล่าแล้วก็เห็นอยู่แหละแต่เกิดความก่อเสพผิดขึ้นมานิดเดียวเป็นอวิชาเลยคือเออเรามีตัวมีตนจะมีตัวเราไปเอาความว่างจะพยายามจับความว่างนี้ไว้จะพยายาม รักษาสภาวพความว่างไว้แท้จริงเราคือความว่างนั้น น, นนะพ่าอ้วนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่เข้าใจว่าเราคือความว่างแต่เราเนี่ยจะไปเอาความว่างเราไม่เข้าใจว่าเราคือนิพพานธาตแต่เราจะไปเอานิพพานตัวนี้ฟังให้ดีนะเราไม่เข้าใจว่าเรานี่คือนิพพานธาต ที่มันเอาวิเชนี่คือวิญญาณที่มันสิ้นเอาวิชาแล้วนั่นแหละคือนิพพานธาตุเราเข้าใจแบบนี้มันเรามันคือนิพพานธาตุอยู่แล้วที่สิ้นเอาวิชาคือความหลงนะที่เราบอนนี่หลงก็ใจผิดแล้วหลงอะไรก็หลงกาใจผิดว่าโอ้โหผมมันว่างแบบนี้ปล่อยวางหมดว่างหมดเลยก็มีความเอาวิชาขึ้นมาทันทีว่าจะต้องประคุปประคุปเอาความว่าง น, นี้ไว้ต้องรักษาความว่าง น, นี้ไว้ มันเลยเกิดเป็นมีตัวตนขึ้นมาจากไม่มีตัวตนเป็นมีตัวตนเลยแต่ถ้าเราอ๋อความว่างนี่นะคือเราไม่มีเราจะต้องไปจับความว่างจะต้องรักษาความว่างเพราะฉะนั้นพอความว่างคือเราปุ๊บมันจะกลับหน้าเลยมันจะกลับด้านคือความว่าเป็นเราปุ๊บต่อไปมันมีกริยารายการเกิดขึ้นปุ๊บทุกกริยาการไม่ใช่เราเรากลายเป็นความว่างไปเลยแต่ทุกกริยาการที่กลับด้านที่เกิดขึ้นมาใหม่ปุ๊บไม่ใช่เราสักอย่างเดียว มันกลายเป็นการความเข้าใจกับด้านเนี่ยเขาจึงเรียกว่าวิชาเอาวิชาคือมันเข้าใจไปอีกด้านนึงคือให้ตัวผู้มีอาการแล้วพยายามจะไปหาความว่างไปเอาความว่างไปจับความว่างหรือไปพยายามไปจับนิพานธาตุไปยึดถือนิพานธาตุใจถึงนิพานแต่พอเราเข้าใจถูกต้องอ่ะอาวิชาดับไปเนี่ยกายเราเนี่ยมาเป็นความว่างไอ้ส่วนที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ย กลายเป็นไม่ใช่เราต่อให้แสดงความรู้สึกพยายามจะจับความว่าพยายามจะแสดงอาการอะไรก็ตามมันเป็นอาการไหนก็ตามมันกลับไปใช่เราซะแล้วมันหมดความหมายต่อใจเราไปเสี้ยวินาทีนี้มันหมดความหมายต่อใจเราไ ป, าไปใจเราเลยว่างเปล่าแล้วก็ไอ้ส่วนกิยาการไม่ว่าจะแสดงอะไรไงไม่มีความหมายต่อใจต่อไปมันกลายเป็นกลับด้านเนี่ยอาวิชากับวิจามันเลยกลับความเข้าใจกลับด้านกันไปเลยเข้าใจไหมเนี่ย